พูดว่าไม่ชอบความทุกข์แต่ก็กลับชอบจมอยู่ในความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความโศกความเศร้าความขับแค้นความวิตกกังวลรวมทั้งความโกรธในขณะที่บอกว่าไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไม่มีเวลานั่งสมาธิหรือบางทีไม่แม้าทั้เวลาทักผ่อนนะ้็กลับมีเวลาให้กับความทุกข์มีเวลากับความ โศความเศร้าความเครียดความเกลียดความโกรธทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะไม่ชอบความทุกข์นะแต่ว่าก็กลับชอบปล่อยใจให้ไปคลอเคลียคลุกคลาดกับความทุกข์อารมณ์ที่เป็นอกุศลต่างๆอันนี้ผมเป็นเพราะว่าอารมณ์หรือความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันมีรสมีชาตินะ มันมีแรงดึงดูดเวลาเราทุกข์เรื่องใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเศร้าในพอพัดพรากสูญเสียความโกรธพอถูกกันแกล้งถูกต่อว่าด่าทอทั้งๆที่รู้สึกทุกข์กับความเศร้ารู้สึกทุกข์จิตใจรุ่มร้อนทาะความโกรธเนี่ยแต่ว่าก็กลับ ปล่อยใจให้จมอยู่กับสิ่งนั้นหรือว่าคุ้นคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าคุณคิดนึกถึงคนที่ทำให้โกรธซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ทำอย่างนั้นแล้วก็ทุกข์หนัก อ, อกตักใจรุ่มร้อนจนนอนไม่หลับ แต่เมื่อยังอดคิดอดนึกไม่ได้จริงจริมันก็ถ้าเราสังเกตดูมันก็เป็นเป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็ว่าได้นะเราไม่ชอบอะไรใจก็มักจะไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งนั้น อย่างเช่นนะเมื่อนิ้วเราเนี่ยไปถูกของเหม็นอาจจะเป็นไปเพอไปแตนะขยะหรือว่าไปถูกของเหม็นเข้าสิ่งแรกที่เราทำก็คืออะไรเอานินน้ำมาดม เหม็นก็เลยล้างนิ้วล้างมือล้างเสร็จทำไงก็เอานิ้วมาดมต่อยิ่งเหม็นเท่าไหร่ก็ยิ่งดมนิ้วหรือดึงดึงนิ้วมาดมเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งเกลียดยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งนึกนะก็ยิ่ง อยากจะสัมผัสกับสิ่งนั้นและมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเกลียดนะสิ่งที่ทําให้เราเศร้าสิ่งที่ทําให้เราโกรธก็เหมือนกันเวลาเศร้าเนี่ยพอสูญเสียคนรักของรักอาจจะไม่ถึงกับสูญเสียคนรักนะแต่ว่าสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่รักนะน้องแมวน้องหมา เราก็จะจมนะีอยู่กับความเศร้าเมื่อเราเวลาจมอยู่ความเศร้าเนี่ยใครมาชวนให้เราไปทําอย่างอื่นเพื่อจะหายเศร้านอกจากเราปฏิเสธแล้วบางทีเราก็กลับโปรธด้วยนะที่เขามาชวนเราทังที่เขาปรารถนาดีที่อยจะชวนให้เราเนะี่ยเลิกเจ้าจุก พอเท่ายังนั่งเ จ, จ้าจุกอย่างนั้นเนี่ยมันยิ่งถล้ำไปในความเศร้าเด่งลงไปเรื่อยๆเขาอยากชวนให้เราไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวจะได้หายเศร้าแต่เราเนี่ยนะกลับอยากจะจมอยู่ในความเศร้าแล้วใครมาชวนให้เราไปเที่ยวหรือทําอะไรก็ตามเพื่อจะหายเศร้านี่เราก็ โกรธเขานะบางทีไล่เขาก็เจิงเล ย, ยมายุ่งกับฉันฉันจะเศร้าอยู่อย่างนี้แหละถ้าสังเกตว่าคนเราเวลาเศร้าเนี่ยอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงประเภทไหนยิ่งเศร้าก็ยิ่งอยากฟังเพลงเศร้าๆแทนที่จะเอ่อนึกถึงเพลงที่ทำให้สนุกสนานหรือว่าจิตใจแจ่มใสเนี่ยกับ อยากจะฟังเพลงเศร้าให้มันเศร้าหนักขึ้นโดยเฉพาะคนที่อกหักเนี่ยนะเศร้าพอสูญเสียคนรักก็จะฟังแต่เพลงที่มันทำให้เศร้าหนักขึ้นมืองก็ว่าอยาจมอยู่ในความเศร้าอันนี้เป็นพ่ออะไรนะทั้งที่เราก็บอกเราไม่ชอบนะความทุกข์ความเศร้าแต่พอเศร้าทีไรมันก็จะ อยากจะจมอยู่ในความเศร้าอยากจะต่ออายุความเศร้าให้มันยืนยาวขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าตอนนั้นความเศร้าเนี่ยมันบงการจิตใจเราไปเรียบร้อยแล้วความเศร้ามันคลองจิตคลองใจเราและธรรมดาของทุกอารมณ์นะมันก็อยากจะอยู่ยั่งยืนมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะแม้กระทั่งไวรัสเนี่ย มันก็อย่างอยากที่จะอยู่ไปให้นาน น, านมันพยายามทำทุกอย่างนะเพื่อที่จะปกป้องตัวมันพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ยืดอายุของมันให้ยืนยาวมากขึ้นอยากจะอยู่ไปนานนานอารมณ์เหล่านี้เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับมีชีวิตของมันเองเนี่ยพอมันคลองจีครองใจแล้วละมันก็ต้องการที่จะอยู่ไปนานนาน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบงการสั่งจิตใจของเราทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้ต่ออายุมันให้ยืนยาวขึ้นเช่นหวนคิดถึงเรื่องที่ทำให้เศร้าหวนคิดถึงคนที่สูญเสียจากไปท้านนั้นไม่พอนะอ๋อสั่งให้เราเปิดเพลงที่มันเศร้ามันจะได้บำรุงหล่อเลี้ยงความเศร้าให้ เข้มแข็งยืนยาวมากขึ้นแล้วมันก็สั่งเราเหมือนกันนะให้ไล่ตะเพิด น, นะคนที่มาชวนให้เราไปเที่ยวหรือไปทำนั่นทำนี่เพราะว่าคืนทำอย่างนั้นเนี่ยความซ่อมก็จะค่อยๆเลือนหายไปมันก็ทนไม่ได้นะที่มันจะเลือนหายไปก็เมื่อคนที่กลัวตายเนี่ยหรือคนที่อยากจะต่อยุ่ของตัวให้ยืนยาว ความซ่องก็ทำงานเหมือนกันมันอยากจะอยู่ยืนยาวไปคลองจิตคลองใจเราไปเรื่อยๆมันก็เลยสั่งให้เราเนี่ยไล่ตะเพิดคนที่มาชวนให้เราทาอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้หายเศร้าแล้วมันก็พยายามสรรหาเหตุผลข้ออ้างนะว่าเราควรจะเศร้าเพราะถ้าไม่เศร้าแสดงว่าเราไม่รักเขาบางคนนี่เขา แต่สูญเสียคนรักสูญเสียพ่อแม่สูญเสียญาติพี่น้องเนี่ยก็จะพยายามที่ฟูมไฟล์คร่ำครวญเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่รักเขาถ้ารักเขาเนี่ยมันต้องเศร้านี่มันก็หาเหตุผลเพื่อเทียมให้เราเนี่ยนะเศร้าหนักขึ้นเป็นการต่อยุคความเศร้าให้มันยืนยาวมากขึ้น อันนี้มันเป็นนะเป็นเพราะการบงการของความเศร้านะจริงๆเราอ่ะไม่ได้คิดจะเป็นอย่างนั้นหรอกแต่พอมันบงการพอมันคลองจิตคลองใจแล้วมันก็บงการให้เราทําตามหน้ า, า, าของมันเพื่อที่มันจะได้อยู่ไปนานๆนะแต่สุดท้ายเราเองแหละที่จะแย่ไม่เป็นอันทําอะไร สุขภาพก็ย่ำแย่แล้วมันไม่ใช่เฉพาความเศร้านะความโกรธก็เหมือนกันนะความโกรธพอมันคลองจิตคลองใจเราเนี่ยมันก็พยายามที่จะบงการให้เราเนี่ยทาอะไรก็ได้เพื่อที่ได้เศร้าหนักเพื่อที่ได้โกรธหนักขึ้นเช่นให้เราคิดถึงคนที่เขาต่อว่าเรา นึกถึงถ้อยคำหรือคอมเมนต์ที่ตำหนิเราเวลาคนชมเนี่ยเราไม่ค่อยนึกเท่าไหร่หรือนึกไม่บ่อยแต่เวลาใครตำหนิเราเขียนคอมเมนต์ด่าเราเราจะนึกถึงข้อความนั้นอยู่อยู่บ่อยบ่อยเหมือนกับว่าไม่หนำใจสักทีนึกถึงทีไรก็เจ็บปวดนะเหมือนกับเอา มีดมาทิ่มแทงใจแต่เราก็ทำอย่างนั้นซ้าแล้วซ้าเล่าจริงๆเราไม่ได้อยากทำหรอกนะแต่ว่าถูกความโกรธเนี่ยมันสั่งมันบัญชาการมันบงการให้เราทำอย่างนั้นเพื่อที่มันจะได้อยู่ยืนยาวนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะมันก็พยายามสร้างเหตุผลนะว่าเราควรจะโกรธนะบางที เราก็พอมีสติรู้นะว่าโกรธไปไม่ดีนะหรือว่ายิ่งไปต่อว่าด่าทอหรือไปกลาดเกลียวตะโกนใส่เนี่ยมันยิ่งเกิดความเสียหายหรือไปทำร้ายเขายิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่ว่าไอ้ความโกรธมันก็บอกว่าเนี่ยมันก็พยายามสานาจผลว่าควรจะโกรธตอไปบางทีนึงก็บอกว่าเนี่ย ชิปหายก็ไม่เป็นไรนะขอให้ได้ด่ามันแล้วมันก็สั่งเรานะมันก็สั่นเหตุผลมาหล่อหวานล้อมเราให้เราก็เชื่อน ะ, อะเวลาโกรธเนี่ยโอเหตุผลมันมีเหตุผลสารพัดเลยนะที่จะที่จะต้องโกรธต่อไปหรือว่าไม่ใช่แค่โกรธงเดียวนะต้องหลุดปากด่าไปหรือทําร้ายเหตุผลอันนึงคือเพื่อสั่งสอนนะ เพื่อสั่งสอนมันเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องอย่างเช่นอ า, อาจจะเคยมีนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิดไปเฉียวท้ายรถของดาราคนหนึ่งเนี่ยรถนั้นก็เป็นรถราคาแพงแล้วก็เป็นรถที่ ดาราหรือพิธีกรคนนั้นก็รักมากห่วงมากทีแรกเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาคิดว่าเจ้าของรถไม่รู้เขาก็เลยขับรถผ่านเลยไปทำนองจะหนีนะแต่ว่าเกิดรู้สึกผิดขึ้นมานะก็เลยวกรถกลับส่วนเจ้าของรถเนี่ยเขาก็รู้นะว่าเฮ้ยรถเขาถูกเฉียวถูก ถูกชนมันก็ไม่แรงนะแต่เพราะเขารู้นี่เขาโกรธมากเลยพอเห็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เขาเดินข้ามถนนนะไปลากคอเจ้าของมอเตอร์ไซค์กนมาที่รถของเขาแล้วก็สั่งให้กราบรถนะกราบนะเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ก็ยอมนะเพราะรู้ตัวตัวเองผิดและที่วกลอกลับมาก็เพราะสานึกว่าตัเองทำไม่ถูก หนีไปก็ไม่ควรเขาก็กราบนะกราบเส็จเจ้าของรถไม่พอใจนะก็ยังตบตีเขาอีกนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหลังอย่าทำนะทีหลังอย่าทำนะ ท, ทำนะทนองว่าเนี่ยที่ทำฉันเพื่อสั่งสอนนะจะได้ไม่ทำอย่างนั้นอีก แต่จริงมันไม่ใช่เพื่อสั่งสอนหรอกนั่นมันแค่ข้ออ้างจริงๆเนี่ยอยากจะทําร้ายเขามากกว่าให้มันสะใ จ, จที่มาทําให้รถของฉันเนี่ยนะมันมีริ้วมีรอยมาเป็นการระบายความโกรธมากกว่าแต่อ้างเหตุผลว่าเพื่อสั่งสอนนะความโกรธนี่มันก็รู้จักสรรหาเหตุผลมากมายนะสวยหรูเพื่อที่เราจะทําตามหน้าของมัน เช่นเพื่อความถูกต้องเขาทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉันต้องการทำให้มันถูกต้องเราจะได้ไไปไปทำอย่างนั้นกับที่อื่นอีกแต่เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่มันกลับไม่ถูกต้องยิ่งกว่านะอันนี้เขาแค่ทำให้รถเนี่ยมีริ้วรอยแต่ตัวดาราคนนั้นเนี่ยกลับทำรายร่างกายเาอันไหนที่มันมันแย่ ก, กว่ากันนะ แต่เขาไม่รู้ตัวนะเพราะตอนนั้นความโกรธมันครอบงำมันก็บัญชาการเพื่อที่มันจะได้แสดงอำนาจของมันเต็มที่และด้วยความที่เราไม่รู้ตัวก็เลยยอมทาตามหน้าของมันและไม่ใช่แค่ทาตามหน้าของมันนะบางทีก็พยายามปกป้องมันด้วยเรานี่พยายามปกป้องความโกรธ เรามีความโกรธเนี่ยแล้วเราจะทำทุกอย่างนะเพื่อที่ปกป้องความโกรธอารมณ์โกรธในใจหาเหตุผลมามากมายว่าเราว่าสมควรโกรธหรือบางทีมีคนจะมาเขาหวังดีเขาก็มาแนะนำให้เราให้อภัยอย่าไปโกรธเขาเลยนะบอกว่าเราทำไงนะเราก็ต่อว่าเขา ที่จริงเนี่ยที่เราทํางานพอเราอยู่ในการบงการของความโกรธความโกรธเนี่ยมันรู้ว่าถ้าเราคืนให้อภัยมันก็จะห่หียวเขี่ย ว, หยวแห้งตายไปเพราะคนเราพอให้อภัยเมื่อไหร่ความโกรธมันก็ทุเลาเบาบางให้ความโกรธไม่ยอมนะมันไม่ยอมมันก็สั่งให้เราเนี่ยด่าคนที่มาแนะนําให้เราให้อภัยทั้งทีบางบางทีคนนั้นก็เป็นคนที่เรารัก บางทีก็เป็นลูกบางทีก็เป็นพ่อแม่หรือบางทีก็เป็นเพื่อนมีลูกสาวนี่แนะนำแม่นะให้ให้อภัยคนคนหนึ่งนะที่แม่โกรธมาเป็นเวลายี่สิบสามสิบปีทำให้แม่นี่นึกเวลานึกถึงคนที่ทลายเนี่ยเปลี่ยนนิสัยไปเลยจากคนที่มีเมตตากรุณาายเป็นคนที่เต็มไปได้วยความโกรธจากคนที่ พูดจาเบาๆกลายเป็นคนที่ส่งเสียงดังลูกเนี่ยกลัวแม่เนี่ยเวลาตายนี่ก็จะไปอบายแนะนำแม่ให้แหภัยเขาไปเธอมันผ่านมา30ิปีแล้วแม่นี่ด่าลูกเลยนะเหมือนกับลูกนี่จะมาแย่งชิงของรักของห่วงแบบจากแม่ไอความกรัวนี่มันน่าห่วงน่าแหนที่ไหนนะแต่ว่าคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราเห่วงแหนความโกรธ แต่ที่จริงเราทําไปตามหน้าของความโกลัวต่างหาความกลัวมันสั่งให้เราปกป้องปกป้องมันก็เลยสั่งให้เราด่าคนที่มาแนะนําให้เราให้อภัยหรือบางทีแนะนำยิ่ก่า น, นั้นนะให้แผ่เมตตาให้เขายิ่งยิ่งต้องจัดการเนี่ยแบบนี้ต้องจัดการนะความกลัวมันสั่งให้จัดการเพราะคือเราไปเชื่อคําแนะนําเนี่ยความกลัวมันก็เหี่ยวแห้งตายซากไปดนั้นคนโดยไม่น้อยเนี่ย ก็เลยกลายเป็นองค์คลักพิทักความโกรธนะอันนี้ความโกรธมันทําร้ายเราแต่เราก็ไปปกป้องมันมันมีมแมลงชนิดหนึ่งนะชื่อมแมลงเต่าเป็นมแมลงเต่าทองเนี่ยมแมลงเต่าทองนี่มีมสัดโตอยู่นะสัดโตนี่คือแตนเบียนแตนเบียนเนี่ยนะมันตัวเล็กๆพอมันได้พอมัน มันจะวางไข่นะมันก็มามาเจาะนะมาเจาะด้านหลังของเต่าทองแล้วก็ฉีดฉนะีดไข่เข้าไปในตัวของเต่าทองแล้วไข่นั้นเนี่ยก็กลายเป็นปรสิตนะกินอาหารในตัวจากอาหารที่เป็นอวัยวะต่างๆในตัวเต่าทองจนกรทั่งโตพอเริ่มจะกลายเป็นตัวอ่อนแล้วมันก็จะเจาะ ร่างของเต่าทองนี่ออกมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเป็นดักแด้ไอช่วงนี้เนี่ยนะมันต้องทํารังใหม่นะอยู่นอกตัวเต่าทองแต่การทําอย่างนั้นก็ท้ายมันอยู่ในอันตรายนะเพราะว่าอาจจะมีแมลงอาจจะมีนกมากินมันกินตัวตัวอ่อนซึ่งเป็นดักแด้ของแต น, นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยสั่งการนะให้ตัวเต่าทองเนี่ยจะเ ย, ะเยื่อนขาเพื่อยืดขานี่เพื่อที่จะขับไล่มแมลงต่างๆไอ้เต่าทองมันก็ยอมนะเพราะมันถูกเรียกว่าถูกบงการไปเรียบร้อยแล้วด้วยอำนาจของแตนเบียนเนี่ยมันกลายเป็นองครักษ์นะพิทักษ์แตนเบียนไปเลยทั้งที่แตนเบียนน่ะ มันทำลายตัวมันมันทำให้มันตายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเป็นศัตรูโดยแท้นะแต่ว่ามันก็ปกป้องแตนเบียนไม่ให้ได้รับอันตรายจนกรทั่งแตนเบียนนะั้นมันโตแล้วมันกลายเป็นตัวตัวเต็มวันมันก็ออกจากหลังใหม่นั่นไปแล้วก็ทิ้งให้เต่าทองตายมนะื่อเต่าทองเนี่ยมันกลายเป็นองค์รักนะพิทักษ์แตนเบียน ซึ่งเป็นศัตรูของมันซึ่งทำํำลายมันคนเราก็จะไปก็ไม่ต่างกันนะเรากลายเป็นองค์ขรร์พิทักษ์ความโกรธแล้วความโกรธเนี่ยมันก็รู้ว่าถ้ามันจะอยู่จะครองใจเราไป น, นานๆเนี่ยมันต้องให้เราเนี่ยนะส่งจิตออกนอกส่งเจื อ, อกนอกไปที่คนโน้นคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ย มองย้อนเข้ามาดูใจของเราเนี่ยถ้าเราเห็นความโกรธเมื่อไหร่นะมันอยู่ไม่ได้นะความโกรธเนี่ยสิ่งที่มันกลัวที่สุดเนี่ยเช่นเดียวความเศร้าเนี่ยคือกลัวถูกรู้ถูกเห็นนะไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยใจถ้าเห็นเมื่อไหร่นะมันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็พยายามที่จะหันเหใจของเราให้ออกไปส่งออกไปข้างนอก วิธีที่จะรับมือนะจัดการกับความกลับความเศร้าเนี่ยหรือความเกลียดหรืออารมณ์พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่การกดข่มแต่มันคือการที่เราเนี่ยเห็นมันรู้ทันมันเพียงแค่เห็นมันนะไม่ได้เห็นด้วยตานะเห็นด้วยสติมันก็ห่อเหี่ยวไปเลยนะนีเด็กอายุสี่ขวบมัง้ง แอบเสียใจมากเลยนะเศร้ามากเลยนะลูกกบตายลูกกบน่ารักเนะี่ยตายก็ร้องไห้ร้องไห้ไม่หยุดเลยทีแรกแม่ก็ปลอบใจนะแต่ปลอบเท่าไหร่เนี่ยลูกก็ไม่หายไม่หยุดร้องไห้ไม่หายเศร้าแม่ก็เลยพูดกับลูกว่าลูกกาลังเศร้าใช่ไหมลูกกาลังเสียใจใช่ไหมที่กบตายเด็กก็พยักหน้า เสร็จแล้วแม่ก็นั่งอยู่เงียบๆกับลูกแม่ไม่ได้พูดว่าเออความตายเป็นธรรมดาแม่ไม่ได้สอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ให้ลูกเลยแต่แค่พูดสั้นๆเท่านี้นนวันเนี้ยลูกเสียใจใช่ไหมที่ลูกกบเขาตายเด็กพยักหน้าแม่ก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนลูกสักพักไม่นานนะลูกหยุดร้องไห้แล้วก็ กลับมาวิ่งเล่นเหมือนเดิมความเศร้ามันหายไปเลยอันนี้คล้ายกับเด็กชายคนหนึ่งนะยุบเจ็ดแปดขวบเนี่ยโกรธยายนะโกรธยายเพราะว่าเขาอุตส่าห์เอาดอกไม้เนี่ยมาใส่แจกันแต่ดอกไม้ที่เอามาใส่แจกันเนี่ยเขาคละกันสองสีมาคละกันในแจกันสองอันนะ แต่ยายเนี่ยหวังดีนะก็เอาแจกกันก็เปลี่ยนใหม่นะดอกไม้สีหนึ่งก็เอาไว้แจกกันหนึ่งอีกสีหนึ่งก็ใส่ไว้แจกกันหนึ่งเด็กชายมาเห็นก็ไม่พอใจก็โกรธนะไม่พอใจยายแม่เห็นก็บอกอย่าไปว่ายายอย่าไปโกรธโกรธยายทําไมยายเาตั้งใจดีก็าอยากให้ดอกไม้มันสวยลูกชายก็ไม่ยอม งั้นแม่บอกงั้นงั้นแม่เอาดอกไม้กลับมาเป็นเอาไว้ที่เก่านะคือเอามาคล้า ก, กันเหมือนเดิมอย่างที่ลูกเคยทำแม่ทำแล้วเนี่ลูกก็ยังไม่ยอมยังโกรธยายอยู่แม่ลุย ท, ทำงานแม่ก็เลยพูดกับลูกว่าเนี่ยลูกโกรธใช่ไหมลูกก็พยักหน้าลูกโกรธแค่ไหนเท่านี้เท่านี้นหรือเท่าฟ้าเลยเด็กบอกเท่าฟ้าเลย อ้อเหรอโกรธยายเท่าฟ้าเลยเหรอแทนที่แม่จะบอกลูกว่าอย่ากโกรธอย่ากโกรธนะก็กลับแค่สะท้อนให้ลูกเขารู้ว่าเนี่ยตัวเองมีความโกรธแปลว่าสักพักนี้เด็กหายโกรธเลยนะแล้วก็เด็กก็กลับไปวิ่งเล่นเหมือนเดิมความโกรธมันหายไปได้ยังไงนะโกรธมันหายไปได้เพราะว่าเด็กเห็นความโกรธของตัวแล้วที่เด็กเห็นพ่ออะไรพ่อแม่บอก แม่สะท้อนเด็กเนี่ยนะพี่ริงก็ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าได้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่จะเป็นความเศร้าหรือความโกรธเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันอยู่ไม่ได้นะมันแพ้มันแพ้สติมันไม่มันกลัวถูกรู้ถูกเห็นแลเวลาเราโกรธเนี่ยนะเออถ้าเราลองมาดูความโกรธเวลาเราเศร้านี่ลองมาสังเกตความเศร้า มันช่วยได้เยอะนะเด็กเนี่ยเขาจะเขาจะไวกับเรื่องนี้มากนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีมีความซับซ้อนในเรื่องความคิดนะไม่มีเหตุผลมารองรับมาหล่อเลี้ยงความเศร้าความโกรธเพราะนั้นพอพอเห็นความโกรธปุ๊บนี่ความโกรธมันคลายไปเลยพอเห็นความเศร้าความเศร้ามันหายไปเลยแต่ผู้ใหญ่นี่บางที มันจะไม่หายง่ายๆแต่ว่าถ้าหากว่าสังเกตรหรือว่าดูมันนะอย่างมีนักโทษคนหนึ่งเนี่ยนะโอ้จะโกรธนะโกรธเพื่อนมากเลยเพื่อนมาด่าว่าเจริงๆเขาไปขอร้องให้เพื่อนเนี่ยนะเวลากลางคืนเนี่ยอย่าเปิดเสียงดนตรีดังให้เพื่อนนี่ก็เปิดดังจนกระทั่งเขานอนไม่หลับ วันรุ่ขึ้นก็เลยไปบอกเพื่อนนะให้เปิดเบาๆเพื่อนกับโกรธนะรู้สึกเสียหน้าด่าเขาเขาก็เลยด่ากลับนะด่ากลับเสร็จก็รีบกลับไปที่ห้องด้วยความแค้นนะนึกถึงเรื่องของการที่จะท้าต่อยเพราะว่ารู้สึกว่าถูกศบประมาทแต่เขานึกถึงคําของครูนะครูที่มาสอนภาวนาเขาในคุกในเรือนจําเนี้ยครูบอกเวลาโกรดนี่ ให้กลับมาที่ลมหายใจนะแล้วก็ให้มาสังเกตดูความโกรธของตัวนม่ต้องทําอะไรแค่ดูเฉยๆก็ทําตามที่ครูแนะนํานะเห็นความโกรธเขาบอกเป็นขั้นแรกที่เห็นความโกรธของตัวนะพอเห็นปุ๊บนี่มันมันหลุดเลยนะความโกรธนี่มันมันบู้ไปเลยหายไปเลยวุฒ ป, ประหลาดใจมากนะเขียงแค่เห็นมันแค่นี้มันก็หายไปไอ้ที่คิดจะไปแก้แค้นเนี่ยมันเลิกเลย วันรุ่งขึ้นเนี่ยพอเห็นเพื่อนนะคนเดิมนี่เดินตรงเข้าไปเลยนะแต่แทนที่จะไปด่าหรือไปต่อยนะกลับบอกขอโทษเพื่อนนี่พอได้รับฟังคําขอโทษนะแกก็รีบขอโทษเหมือนเดิมเอารีบขอโทษกลับเลยเพราะว่าก็คงรู้สึกผิดนะนี่อย่างน้งโทษนะคนที่เก่งเมื่อไรเกเรเนี่ยซึ่งแต่ม่ได้ความโกรธเนี่ย แต่พอมาเรียนรู้ที่จะมาดูใจของตัวเห็นความโกรธเนี่ยก็สามารถที่จะยกจิตเหนือความโกรธได้เนเพียงแค่ดูเพียงแค่รู้ทันเนี่ยไอ้ความทุกข์เมื่อจะเป็นความเศร้าความโกรธความเกลียดนี่มันก็จะขี้คลายสลายตัวไปได้ไม่ยากนะอันนี้คือศิลปะนะที่ควรเรามักจะไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราฝึกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะมีอนุภาพมาก แล้วทำให้เราสามารถที่จะเป็นอิสระจากมันได้อ้าคข้ามเน้พืนน่อธนีนะเอากคร